ทางแห่งความดีที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ทานศีลภาวนาเราให้ทานไว้เป็นบุญของเราเป็นสิ่งที่เราจะได้ไปแม้เราไปสู่พบหน้าชาติหน้าเราก็จะมีความสุข หรือไม่อย่างนั้นแม้ในปัจจุบันนี้ถ้าเราทำบุญทํากุศลเราก็มีความสุขเหตุแห่งความสุขคือการให้ทานนี้ในครั้งพุทธกาลในครั้งพระพุทธเจ้าของเรายังมีพระชนอยู่คนทําบุญให้ทานก็เห็นผลในปัจจุบันทันทีเป็นหน้าอัศจรรย์จริงๆนะ ไม่ใช่ธรรมดาคนหนึ่งตกทุกข์ได้ยากมากเขาประกาศชักชวนแกก็โอ้ยผมไม่มีอะไรก็ผมจะได้ทำเหรอลจะได้ถวายพระพุทธเจ้าเหรอลรู้ว่าเขาจะได้เลี้ยงพระเขาก็ไปหาปลาไปหาผักเมียก็ ไปรับจ้างเขาได้ข้าวมาผัว ก, ก็ได้ส่วนแห่งอาหารมาคือได้ปลาตะเพียนมาเขาก็จะทำปลาตะเพียนนั่นแหละถวายพระพุทธเจ้าไปถามคนที่เป็นหัวหน้าที่แก่พระไปคนละเท่าไหร่เท่าไหร่ได้หมดแต่คนที่ซักชวนคนอื่นนั้นลืมไป ลืมนึกว่าพูดแล้วเขาไม่ต้องเซ็นไว้ละเพราะมันน้อยตอนเช้ามาแกก็ ด, ดีใจนะว่าจะได้ถวายอาหารพระทีนี้คนทาบัญชีนะนะั้นน่ะลืมไปเขาก็เสียใจพอดีพระพุทธเจ้ายังไม่ลงสัน ยังไม่เสวยอาหารพระองค์นั่งอยู่ที่กุฏิเขาก็ได้โอกาสดีกว่าคนอื่นคือพระพุทธเจ้ายังไม่รับนิมนต์ใครนอกนั้นได้รับนิมนต์หมดทุกองค์แล้วเหลือแต่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่เขาก็เลยไปอ้อนวอนขอถวายอาหารบิณฑบาตเชา้านี้ทีนี้ก็ได้ไป พระพุทธเจ้าก็เสด็จไปเขาก็ทําอาหารถวายพอเขาทาอาหารถวายนี่ก็อาหารก็มีกลิ่นเลิศลุเลยนะเออมีกลิ่นมากหอมมากพระพุทธเจ้าทรงเสวยแล้วก็ให้พรพระพุทธเจ้าเสด็จกลับปรากฏว่าฝนตกลงมา คำว่าฝนในที่นี้พราะมันตกลงมาทั้งแก้วเหวนเงินทองเต็มไปหมดทั้งแก้วเหรียเงินทองทุกอย่างเกิดขึ้นที่ที่เขาบวชเลยที่บ้านเขาบมดเลยเป็นคนรวยในกระฐานาะทำไมจึงเป็นงันพระพุทธเจ้าออกจากสมาบัติสมาธิอย่างลึกนะ่ะนะจนวางมดนะุดพอออกจากนั่งสมาธิแล้วก็ เขาก็มาได้นิวนเอาพระพุทธเจ้านั้นไปที่บ้านเขาก็โชคดีมันทุกอย่างนะถือแม่เขาเป็นคนจนพอได้ทำบุญตังบุลศเขาก็ร่ำรวยขึ้นมาท่านตาเห็นเวลาเขาตายแล้วไปชาติใหม่ก็ไปเกิดกับลูกศิษย์ของพระสารีบุตรพ่อแม่ก็รักมาก พ่อแม่รักมากแต่ไม่ขัดอัธยาศัยของลูกลูกอยากบวชก็ให้บวชบวชแล้วก็เป็นสามเณรที่ดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอันนี้บุญเกิดจากการให้ทานในปัจจุบันก็เห็นผลในปัจจุบัน แต่ถ้าเราไม่เห็นผลในปัจจุบันเพราะกรรมอื่นยังให้ผลอยู่เมื่อพ้นกรรมนั้นกรรมดีก็ค่อยให้ผลเต็มที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่ให้ทานนี้เป็นการสร้างบุญอันดับแรกหรือสร้างความดีเป็นอันดับแรกได้กินได้ทานได้สร้างน้ำทาบุญนี้มันมีความสุขตายไปแล้วก็มีความสุข ไม่ได้ไปสู่พบภูมิมันชั่วต่ำถ้ากิเลสยังไม่หมดเราก็ได้เกิดในตระกูลที่ดีมีทรัพย์สินเงินทองมากยิ่งพ่อแม่เลื่อมใสในพระรัตนตายอยู่ลูกก็ยิ่งสบายที่จะทำความดีให้สูงส่งขึ้นไปมันเป็นหน้าสจัจรย์จริงๆนะเอานาาแห่งบูญแห่งกุศลที่ทำนี่เพราะฉะนั้นให้ พิจารณาเข้ามาที่ใจเราเนี่เราได้ให้ทานอะไรไว้บ้างทานเนี่เราได้ทำหรื อ, อยังถ้ายังต้องรีบทำเพราะอายุของคนไม่ถึงร้อยปีถึงรอยปีก็มีน้อยที่สุดบ้านหนึ่งก็หมดทั้งหมู่บ้านนะั้นมีอายุสูงสุดก็ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบ ไม่มีอายุยืนถึงรอยหรอกถ้าเราไม่ทำบุญทำกุศลไว้เราจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งละ่ะนาก็พึ่งไม่ได้สวนก็พึ่งไม่ได้ลูกเจ้าหลานเหลนก็พึ่งไม่ได้ใช้สอยกันได้อยู่แต่ว่าพึ่งไปสู่ประโลกนั้นพึ่งไม่ได้ ต้องตัดสินใจทำความดีด้วยตัวเองเมื่อเราได้ทำบุญทำกุศลใจเราก็มีสุขเพราะว่าได้ทำบุญทำกุศลไว้แล้วไม่มีทางตกต่ำต้องได้ไปสู่สุคติกลับมาเป็นมนุษย์อีกก็ได้เลือกได้เลยถ้าปฏิบัติธรรมจิตของเราบรรลุมรรคผลไปแล้วนี่ เรามั่นใจแล้ ว, ว่าเราไม่ตกนรกแน่นอนเพราะนั้นพระพุทธเจ้าก็ให้ทางปฏิบัติโวยหรือกว่าทางแห่งบุญหรือความดีมีอยู่สามอย่างคือให้ทานรักษาศีลบมเป็นภาวนานี่อยู่สมัยหนึ่งครั้งหนึ่งคนเกิดมาแล้วบ้านอยู่ใกล้วัด แต่ก็ไม่เคยทำบุญสักครั้งเดียวไม่เคยให้ทานข้าวน้ำแม้ทัพพียงก็ก็ไม่เคยเวลาเขาตายไปแล้วนะเขาก็เป็นคนมีเงินนะเวลาเขาตายไปแล้วก็ไปเกิดในสกุลกันทานสกุลต่ำพวกหา าะเรียลายอยู่ในอินเดียนะราสามหาราสามหาลานีนะเกิดในตระกูลตระกูลต่ำไม่มีโอกาสได้ทำบุญทงกุศลเลยไม่มีโอกาสได้ทำคุณงามความดีเลยเขายิ้งไม่ได้ทาเขายิ่งตกต่ำไปเรื่อยๆ แต่เราเป็นผู้ไม่ระมาตเราต้องทำความดีให้ได้ทานไว้ในพุทธศาสนาก็เป็นประโยชน์ของเราเป็นสิ่งที่เราจะได้ส่วนทรัพย์สินสมบัติอันนั้นเมื่อเราตายไปแล้วคนอื่นน่นครับรองเราเองไม่ได้อะไรเลยผู้ที่ให้ทานไว้ แม้ตายไปไม่ไปสู่กัปภูมันต่ําเป็นเปรตสุรกายสติรสารสนรโลกเราไม่ได้ไปเพราะฉะนั้นอย่าลืมเกิดมาแล้วต้องทําบุญทํากุศลให้มากต้องให้ทานไว้ให้มากเพราะทานเป็นสมบัติของเราเราไม่ได้ทําไว้ก็ไม่ได้สมบัติพระพุทธเจ้า ตัดว่าคนไม่ให้ทานคนไม่ชักชวนคนอื่นให้ทานคนนั้นเกิดมาแล้วใน่พใดๆก็ยากจนค้นแค้นอนณาถาหาที่พึ่งไม่ได้อดอยากยากจนเพราะอะไรเพราะว่าไม่ชักชวนคนอื่นทําบุญแล้วตัวเองก็ไม่ทําบุญ คนหนึ่งให้ทานไว้นนคนนั้นได้โพคะสมบัติและไม่ได้ชักชวนคนอื่นก็ไม่บดได้บริวารสมบัติเกิดมาแล้วมั่งมีแต่ว่าไม่ได้ชักชวนคนอื่นให้ทานทำบุญด้วยตนเองแต่ไม่ชักชวนคนอื่นเลย พอเกิดมาชาติไหนพบไหนก็จะเป็นคนร่ำรวยมีเงินมีทองมากมีทรัพสมบัติมากแต่ไม่มีเพื่อนฝงไม่มีมิตรสหายส่วนใครชักชวนคนอื่นให้ทานแต่ตัวเองไม่ให้ทานคนนั้นมีบริวารมากแต่ไม่มีเพื่อน อีกข้อหนึ่งให้ทานไว้ด้วยรักษาศีลไว้ด้วยปฏิบัติสมาธิภาวนาไว้ด้วยผู้นั้นไม่ตกต่ำเลยได้ทั้งบริวารสมบัติได้ทั้งภคะสะสมบัติเพียบพร้อมสมบูรณ์วเลบูนนาง ราชาเทวทิดาใส่บาดพระมหากััสปะแล้วตอนนั้นเป็นคนใช้อยู่ชื่อว่าราชาเทวทิดาใส่บาดเสร็จก็เดินกลับทำไมงูซื้อไม่กัดเทเทระเพราะกีบอร์มันอยู่ลึกก็กัดไม่ได้ พอดีนางนั้นกลับมาก็กัดนางนั้นเลยนางราชเทวธิดาเนี่ยได้บริจาคทานเข้าตอกนั่นแหละให้ถวายพระเจ้าพอดีงูกัดี้งูกัดก็เลยตายงูกัดตายในขณะเดินทางกลับบ้าน ตายแล้วได้เป็นเทวดาอยู่สวรรค์มีวิมานทองสามสิบยอมีบริวารมากเป็นพันอยู่ในสวรรค์นี่แหละถ้าไม่กินไม่ทานไม่สร้างน้ำทําบุญถือว่าเราประมาทมาก เราจะไม่ได้อะไรเลยแม้เราจะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายก่ายกองขนาดไหนก็ตามถ้าไม่ได้ทำบุญสร้างกุศลไว้เราไม่ได้หรอกภคเสมบัติเหล่านี้บุญกุศลเราไม่มีเราก็ดูถึคนคนเป็นราชามหากริัตเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเขามีความสุข แต่เราสุขไหมไม่ได้สุขเพราะเราไม่ได้ทำความดีเอาไว้ก็มาเป็นลูกน้องเขาเป็นทาสเป็นกรรมกรตากแดดตากลมทั้งวันได้เงินค่าจ้างอย่างประเทศไทยเราก็สูงสุดก็ไม่เกินสามร้อยบาทต่อ ว, วันหนึ่งถ้าทำความดีไว้มีสุขไหมก็มีสุขถ้าทำแล้วมีทุก ทำไปเพื่อประโยชน์อะไรพ อ, อเห็นผิดว่าให้ทานเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อความสุขในปัจจุบันและความสุขในภายภาคหน้าปัจจุบันก็มีความสุขภายภาคหน้าก็มีความสุขเพราะผลแห่งทานและชักชวนคนอื่นสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันก็มีความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจ พรบุญกุศลที่เราทําไว้นี่เองพอตายก็ไม่ตายยังเว้นไปได้ถ้าเราทําบุญทํากุศลอะไรเนี่ยมันมีทางหลบดีทําให้ทําบุญกุศลจะ อ, อะไรเป็นที่พึ่งจะป่าเอาไม้เอาดอนเป็นที่พึ่ง ที่พึ่งอย่างนั้นไม่ใช่ที่พึ่งอันถาวรเป็นที่พึ่งไม่ให้เขาตกรโรกหมกไหมที่พึ่งอันถาวร อ, อีกอันหนึ่งก็คือดาวบริจาคไวแล้วก็ได้ที่พึ่งอันถาวรไม่ต้องพึ่งต้นไม้ภูเขาไม่ต้องไปซึ่งให้พึ่งบุญของตนเองพึ่งต้นไม้ภูเขาก็ไม่ถึงทางคนทุกข์ มันเป็นการสร้างความดีสำหรับเราเองเราจะไปอาศัยพึ่งต้นไม้พึ่งภูเขาพึ่งแมีโคศโพดันดีอะไรต่างๆมันไม่ใช่ที่พึ่งที่จะเข้าถึงมรกถึงผลถึงพระนิพพานได้ถ้าเรามีชีวิตอยู่หกสิบเจ็ดสิบปีมันใกล้เข้ามาทุกทีแล้วถ้าเขาทอหู ก, ก็เร้วว่าใกล้จะเสร็จแล้ว เราต้องสร้างความดีไว้ถ้าไม่สร้างไว้เราก็ไม่ได้สมบัติอะไรไปด้วยไม่ว่าสมบัตินั้นจะเป็นอะไรก็ตามแก้วแหวนเงินทองที่เรามีอยู่เราไม่ได้ทำบุญไว้เงินทองเราก็เยอะแยะไม่ได้ทำบุญไว้ตายไปก็ไปตกนรก ตกนรกแล้วก็ยังใช้บาปใช้กรรมก่าจะหมดจะสิ้นให้ทำไว้ให้ตั้งใจทำไว้ทำบุญทากุศลให้ตั้งใจให้ทานไว้คนที่ไม่ได้ทานไวน้เนี่มันไม่มีที่พึ่งก็จะตายก็ทุรนทุรายใจจะขาดอะไรอะไรก็พึ่งไม่ได้สักอย่างเลย พึ่งไม่ได้ป่าไม้ภูเขาก็พึ่งไม่ได้บ้านเรือนญาติมิตรลูกหลานเลี้ยพึ่งไม่ได้เลยในที่สุดเราก็ตายไปคนเดียวตายไปคนเดียวไม่ได้อะไรติดตนติดตัวไปเลยถ้าไม่ทาบุญเพราะนั้นการทาบุญนี่เป็นการสร้างความดี เช่นเราใส่บาตรสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยเราใส่บาตรสักครั้งหนึ่งนั่นแหละเราได้บุญได้กุศลสร้างสวรรค์สร้างมนุษย์ให้กับตัวเองจะไปอยู่ภูมนุษย์ก็ได้จะไปอยู่สวรรค์ก็ได้ถ้าได้ทำบุญทํากุศลไว้เพราะนั้นภากันอย่าประมาทในการทำบุญทำกุศลดุสั่งส ม, งมคุณนนำกุมดี อย่าประมาทให้ตั้งใจตั้งใจทำความดีมีการให้ทานเป็นต้นนี้แหละให้ทานไว้ทานก็ต้องสุปฏิ ป, ปโนนะจึงได้บุญมากภาที่รับก็เป็นต้องเป็นสุปฏิ ป, ปโนจึงได้ผลบุญทันตาก็ะทันหันเห็นเห็นในตัวเขาขึ้นมาเลย อย่างผู้ที่ทำบุญแล้วไม่ตกต่ำนั้นมนีมากส่วนผู้ที่ไม่ได้ทำตายแล้วไม่รู้จะไปทางไหนอย่างเราทำอยู่นี่เหมือนกันนี่เราทำอยู่ขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้อันนี้เรา่าภาวนาเราทำบุญอีกประเภทหนึ่ง เราได้รักษาศีลถ้ามีศีลห้าแล้วอยู่ที่ไหนก็มีความสุขถ้าขาดศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองรอยิบเจ็ดถ้าขาดเรื่องศีลคือศีลไม่มีอันนี้ตายไปต้องตกนรกบทไม่เจริญท่านยึงให้เลือกทา ในบุญญาเกตที่ดีมันจะเจริญเจริญแก่ไขเจริญแกเ่เรานี่แหละมีความสุขด้วยมีความสบายด้วยจิตใจก็ปลอดโปรง่งไม่มีคิดกลัวว่าอันนั้นอันนี้จะเกิดขึ้นเพราะเราถือศีลแล้วแม้ตายก็ยอมเราต้องถือศีลให้ได้ เกิดมาชีวิตหนึ่งได้มาถือศีลอยู่ในขณะนี้ก็ถือว่าประเสริฐเลิศร้รนแล้วตั้งเจ็ดวันเนี่ยเราไม่ใช่ทรามานนะไม่ใช่ทรามานกายเราทําตามคําสอนเทพบุตรเจ้าเราทําตามคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราสร้างความดีเราทําความดีในการรักษาปฏิบัติธรรมของเรานี่แหละ ความดีอย่างต่ำก็เป็นพระิยบุคลณั้นต้นก็ยังดีได้เป็นโชดาบันก็ดีได้เป็นสังคีตคามีก็ดีได้เป็นอนาคามีก็ดีและได้เป็นพระอรหันต์ก็เป็นความดีของเรา เราทำอย่างนี้ตลอดชีวิตเราจะได้พระอรหันต์ไหมอันนั้นบุญวาดสนามันเต็มแล้วเหมือนน้ำที่มันเต็มตุ่มแล้วไม่ต้องเอาอะไรมาเพิ่มเติมมันก็เต็มของมยอยงนันเงินเราทำบุญด้วยการรักษาศีลมีศีลห้ากันหมดทุกคนถ้าอยู่คลองคาราวาสอันนี้ก็มีความสุขครอบครัวนี้นก็ตาม ถ้าไม่มีศีลแล้วเนี่ยอย่างครอบครัวบางครอบครัวเนี่ยสามีก็ดื่มเหล้าโหดื่มเหล้าเรื่อยเรื่อยเรื่องอื่นไม่เอาเลยเอาแต่ดื่มเหล้าครอบครัวจะมีความสุขไหมไม่มีความสุขมีความเดือดร้อนไหมมีความเดือดร้อนหรือว่าผู้หญิงก็ไปมีแฟนแอบมีแฟนอยู่ ไม่รักษาศีลห้าให้สมบูรณ์อันนี้ก็ตกนรกเหมือนกันเนี่ยไม่มีศีลเนีไม่มีศีลก็ตกนรกมันชั่วมันหยาบแล้วนั่นก็ตกต่ําดังนั้นคนเกิดมาแล้วต้องให้รักษาศีลประจำตัวของเราศีลห้านี่แหละ อันนี้มันศีลแปดอันนี้ที่เรารักษาอยู่นี่อันนี้ศีลแปดศีลห้าก็คือบุคคลทั่วไปใครถือนับถือพุทธศาสนาก็รับคำว่าศีล น, นี่ไปศีลห้าศีลห้า น, นี่แหละจะให้ความสุขแก่ครอบครัว บ, บ้านเรือน ไม่กินเหล้าไม่เมาเบียไม่ประพฤตินอกใจเมียความสุขความเจริญในครอบครัวนั้นมีแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่ารักษาสีนรักษาความดีอยู่ไม่ให้ตกไปในทางที่ชั่วสิหนห้าหน่รักษาให้เราไปสวรรค์ได้มีโจรพวกหนึ่งในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าตรัตเทศไว้ มีโจรกลุ่มหนึ่งไปลักสิ่งของเขาโจรไม่ใช่น้อยนะตั้งห้าร้อยนะหาพ้นหาชี้หาฆ่าคนเอาทรัพย์เอาสินบ้านเมืองมันโอดอยากก็เลยทำแบบทีนี้ไปพ้นบ้านหนึ่งชาวบ้านทั้งหมดรวมตัวกันต่อสู้ไม่กลัว ต้องฆ่าให้ได้โจรนี้ต้องฆ่าให้ฆ่าทิ้งให้ได้ก็าตามไปตามพวกโจรไปโจรเห็นหาทางหนีไม่พ้นก็เข้าไปในดงก็เห็นพระจําจนวนหนึ่งอยู่ที่นั่นก็เลยขอพึ่งนีาขอพึ่งพระน่ะฮวงจะเป็นพระเรี้ยงเจ้าแล้วก็ได้จจะเป็นสวดบันแล้วก็ได้ ถ้าก็ให้ศีลให้รักษาศีลแม้เขาตัดคอก็ไม่กังวลให้รักษาศีลพาบอกพวกโจรโจรนห้นมีที่พึ่งแล้วชาวบ้านตามไล่ค่าไล่ฟันถ้าก็ให้ศีลศีลห้าโจรเหล่านั้นรักษาศีลห้าช่วงระยะไม่ถึงชั่วโมงเขาก็ตามมาทันพอดี เขาฆ่าหมดทุกคนส่วนพระเขาไม่ฆ่าเพราะพระไม่ได้เป็นโจรโจรพวกนั้นตั้งห้าร้อยคนถูกฆ่าตายมดเลยแต่โยมคิดว่าเขาเป็นโจรจะไปตกนรกใช่ไหมไม่เลยเขารักษาศีลไม่ถึงชั่วโมงเขาตั้งใจรักษาศีลถูกฆ่าตายแล้วไม่ได้ไปสู่นรกเลย ไปสู่สวรรค์นานแสนนานมาถึงสมัยพระพุทธเจ้าของเราจิโงมาเกิดเกิดก็เกิดเป็นคนดีพูดง่ายสอนง่ายพาทำอะไรก็ทำต่อมาเห็นพระพุทธเจ้าฟังธรรมของพระพุทธเจ้าออกบหบททุกคน ต่อมาได้ันรู้มากขนหมดดังนั้นคนทุกไปเลยอำนาจของศีลเนี่ยนคนคนมาไม่ใช่คนเดียวมันมากมายนี่ไม่ใช่คนเดียวมันหลายคนพากันทําบุญด้วยกันรักษาศีลแล้ ว, สาสลวตายแล้วไม่ถูกนรกเลย นรกนะ่ะมันไม่ใช่ธรรมดาวันหนึ่งคืนหนึ่งของสรรชีว์านรกเท่ากับเก้าล้านปีในมนุษย์เก้าล้านปีเราตกนรกวันเดียววันของเราเนี่ยร้อยปีหรือห้าร้อยปี ทำความดีไม่ประมาทเลยมันจะไปไหนเราทำความดีอยู่มันก็ไปสุขติหมดไปสุขติไปถึงความสุขความเจริญไม่ตกต่ำเนี่ยบุญรักษาศีนั่นนะแค่แวบเดียวรักษาศีนไม่ได้มากมายอะไรเขาก็ตามมาฐานข่าหมดไปสวรรค์หมดเลยเนี่ย มันอยู่ ใ, ใกล้หรือความดีฐนะานแล้วก็มีศีลแล้วก็มีอันนี้เป็นทางให้ถือสุคติมดภาวนาบนคือหัดทำความภาคความเพียร น, นั่งปฏิบัติธรรมเดินปฏิบัติธรรมนอนอยู่ก็ปฏิบัติธรรมคอยกำหนด โดยการฝึกบริกรรมพุโทโธอยู่ในใจก็เชื่อว่าเราได้ภาวนาแล้วถ้าเราทำละเอียดพุดโทโธก็ละเอียดละเอียดลงไปหมดจนไม่มีอะไรจะยึดถือเอาว่าเป็นเราเป็นของของเราได้เราทำอยู่นี้ไม่ใช่ธรรมดานี่ทำเพื่อมากขวดนิพานนะ ไม่ใช่ทำฝึกแค่เป็นสมาธิอย่างเดียวถ้าเราทำดีสมาธิเราดีแล้วเนี่ยเราไม่ไปตกทำหรอกมีแต่ทางที่จะได้ได้ความดีใกล้พระ น, นิพพานเข้าไปทุกทีถ้าเราให้ทานรักษาศีลมันเป็นภาวนาเนี่ยมันใกล้มากใกล้ต่อความสู่ความเจริญมาก ความสุขใจถ้าสุขใจสบายใจแล้วอะไรมันก็เพียบพร้อมไปหมดมันก็มีความสุขความเจริญแต่ถ้าครอบครัวไหนไม่ตั้งใจทำความดีเมียก็ขี้บน่นด่าเช้าด่าเย็นอันนี้สามี ทิ้งเลยถ้าไม่ทิ้งกับเพียงเป็นห่วงลูกเจ้าที่เกิดขึ้นมาจะไม่มีคนดูแล ม, มีอันนี้สงมากในการปฏิบัติเนี่ยมีอันนี้สงถึงพระนิพพานนั่นในชาติปัจจุบันนี่แหละถ้าเราตั้งใจทำให้มันถูกแล้วนี่มันจะไปไหน มันก็เข้าถึงพระนิพพานถ้าถูกหมดทุกอย่างละความยึดมั่นถือมั่นได้เลยไม่ว่าผู้นั้นจะอยู่ที่ไหนก็ตามจะเป็นคนชาติชั้นวรรณะไหนก็ตามจะอยู่วรรณะไหนขอให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมให้ฝึกสมาธิการสอนฝึกสมาธิมันก็ไม่ใช่มีคนเดียว คือวัดเราเท่านี้ไม่ใช่ที่อื่นเขาก็สอนเหมือนกันสอนสมาิแต่ว่าต่างคนต่างก็บอกก็สอนกันไปถ้าเราเป็นพระาอารหันต์แล้วทุกในวัตาสงสารหมดสิ้นเลยเหลือแต่ความปล่อยวางอยู่ในใจมีความสุขตลอดไป นี่แหละการปฏิบัตินี่ถึงแม้ว่าเราจะทำเวลาน้อยนิดเดียวคือเจ็ดวันเราก็ยังสามารถทำกิจที่ไม่สงบเลยให้สงบลงได้ถ้าทำละเอียดขึ้นไปมันก็บาบางขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงพระอรหันถ้าเป็นพระโสดาบาันตายในปัจจุบันนี้ตาย กลับมาเกิดในโลกมนุษย์เรานี้อีกเพียงเกตชาติเทันเองอย่างชา้า น, นี่ก็ไปพ่านิผ่านมดไม่ตกต่ําเลยพระอริยบุคคลในพุทธศาสนายังมีอยู่เหลือยังมีอยู่เพราะอะไรจึงเป็นอย่างนั้นเพราะคําสอนของพระพุทธเจ้ายังอยู่ผู้ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่ ไปพระนิพานเลยถ้าตั้งใจปฏิบัตินะเข้าถึงพระนิพานได้เลยเห็นความสุขในปัจจุบันเลยตายไปแล้วก็ไม่มีทุกข์อะไรไม่มีกิเลสอะไรจะไปทำให้เสียหายได้ถ้าจิตเข้าถึงความเป็นพระอรหันต์แล้วจิตใจก็สูงส่งด้วยความรีงามที่มีอยู่ ที่เราปฏิบัติไปเนี่ยมันไปได้นะท่านคนหนึ่งเคยปรารกบกบฏตะมาว่าถ้าผมได้สวดาบันผมก็พอใจแล้วในปัจจุบันนี้ผมพอใจคือเป็นทหารชั้นผู้ใหญ่เป็นนายพล บอกว่าถ้าผมได้โสดาบันผมก็พอใจแล้วก็มาตั้งใจปฏิบัติเขาบอกว่าเอา้าถ้าอย่างนั้นก็มาปฏิบัติทำสิพอมาปฏิบัติมันไม่อยู่ที่เดิมนะมันไม่ได้อยู่โสดาบันน่ะปฏิบัติไม่หยุดจิตใจละเอียดสงบเลยสุดยอดเลยลูกหลานเล่น ระมาปฏิบัติก็ได้บุญได้กุศลมันก็หมดหลวงปู่มั่นท่านไม่ห่วงมากในประชาชนเนี่ยเพราะเวลามันน้อยตั้งใจสอนอผู้ผู้ปฏิบัติอยากค้นจากทุก์ส่วนญาติโยมก็สอนอยู่แต่ว่ายังไม่มากเท่าพระพระนี่สอนหมดใครไปอยู่ด้วยสอนให้หมดให้บริกรรมพุทโธพุทโธหมด ขณะนี้เดี๋ยวนี้ก็เหลืออยู่ไม่มากคนที่สมัยของหลวงปู่มันนะ่นเนี่ยที่ยังได้เห็นหลวงปู่มั่นอยู่ยังได้ฟังธรรมของหลวงปู่มั่นอยู่ก็กลายเป็นพระครูบาอาจารย์แต่ละแห่งแต่ละสถานที่ก็ภาวนากันด้วยบริบทบริกรรมพุทโธ ท, ทำพุทโธในใแก้งในใจ ให้วางอยู่ที่ใจของเราเหลือแต่รู้อย่างเดียวให้จับเอารู้นั้นแหละไว้ใจเราจะสบายลงสงบลงส่วนมันจะพ้นเป็นมากเป็นผลนันก็ปัจเสต่างผู้ปฏิบัติย่อมเห็นเองว่าเราทำถูกต้องดีงามแล้วเราได้ไปสู่สุคติสวรรค์แล้วไม่ใช่แต่สุรบันอราหาันก็สามารถทำได้ถ้าตั้งใจปฏิบัติ ครูบาอาจารย์รุ่นเราเนี่เป็นลูกหลานแต่รุ่นหลวงปู่เทศอย่างนี้หลวงพ่อยังนี่อันนี้ได้เห็นครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อยังก็ได้อุปถากลกปู่มั่นจนรกปู่มั่นมรณภาพไปเขาตั้งใจปฏิบัติเต็มที่ความดีก็เต็มเปี่ยมไม่บกพร่อง ได้ความสุขเราทําปับ๊บเราก็ได้ความสุขสุขไม่ใช่โลภยะสุขโล ก, กุตระสุขคือมีความสุขไม่เสื่อมสลายเลยความสุขโดดเด่นถ้าเราตั้งใจปฏิบัติมันจะหนีไปไหนถ้าเราทําถูกเราต้องได้แน่นอน ถ้าไม่ได้พระพุทธเจ้าจะตัดไปทำไมอาการลิโกพะพุทธเจ้าปาไม่ประกอบด้วยการได้เวลาเราปฏิบัติถูกตามที่เราปฏิบัติมามันถูกใจเราก็สบายไม่กังวลมีใจเป็นหนึ่งอยู่ตลอดอย่างนี้เรียกว่าทำถูกทางแล้วก็ทำไปเรื่อยๆ อยู่บ้านก็นให้ทําอยู่วัดก็ให้ทําพระพุทธเจ้านะทําความทุกข์ทรมานอยู่กว่าจะได้ตัสสู่เป็นพระสัมมาสัมพุติเจ้าต้องใช้เวลาตั้งหกปีจึงได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุติเจ้า ยึงมีพุทธโธเกิดขึ้นในโลกเป็นอาการลิโกเราทำเวลาไหนก็ได้เวลานั้นถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่ได้ชีวิตต้องต่อสู้ไม่ใช่เลียวไหลอ่ะมันจะปวดก็ให้มันปวดดูเราดูตรงที่มันปวดนั่นแหละอย่าไปไว้ที่อื่น แย่าว่ายที่จมูกเกีย่ยวไว้ที่ท้องหรือท่ากลางอกเอาตรงที่มันปวดอ่นไว้เลยจับปั๊บลงไปเลยใครเป็นผู้มาว่าปวดหาผู้นั้นอีกทีหนึ่งเราหายังไม่เห็นผู้ปวดเลยแต่ว่าการนั่งของเราพ้นไปแหละไม่รู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยเลยรู้สึกสบายหายกังวล จิตใจเยือกเย็นยิ่งทําก็ยิ่งได้เรารักษาศีลก็เป็นบุญเราภาวนาก็เป็นบุญบุญของไข่บุญของเราเองของแต่ละท่านละคนนี่แหละเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความดีของเราอายุเรานี้อยู่ในขั้นนี้ให้รีบเร่ง ถ้าเจ็ดสิบแปดสิบไปแล้วโอ้ยมันนั่งไม่ไหวแล้วทำอะไรไม่ถูกแล้วให้ตั้งใจทำตั้งแต่เราแข็งแรงอยู่อย่าไปรอว่าแก่ก่อนจึงกว่าปฏิบัติธรรมถ้าแกแล้วปฏิบัติธรรมได้ที่ไหนนั่งก็เจ็บก็ปวดนอนก็ลำบากกินก็ลำบาก อยมาปฏิบัติอย่างนี้ได้เลยไม่ได้มากระทอนละมานลูกหลานให้ท่านปฏิบัติอยู่บ้านก็ได้แนะนําไปแต่ท่านมีศรัทธาก็ให้มาปฏิบัติมีศรัทธามีความพออยู่ได้ทนอยู่ได้ให้มาปฏิบัติอย่าให้ช้าอย่าให้เสียเวลาที่เกิดมา ชาติหนึ่งพบหนึ่งเราได้เกิดมาเป็นคน เ, ออเราเกิดมาเป็นคนแล้วเราทำความดีให้กับตัวเองมันก็ประเสริฐการเกิดขึ้นมาของเราคุ้มค่าไม่หนีไปสู่ภูมิอันต่ำไม่ตกนรกหมกไม่ไม่เป็นฉันดิีรษานไม่เป็นหมูม้า ก, กาไก่ มาได้เป็นพวกนี้เป็นมนุษย์หลุดพ้นจากกองทุกขเป็นนิสัยปัจจัยเพื่อมักผลนิพานมากผลนิพานในมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีไม่งั้นท่านก็ไม่ตัดคำว่าอาการลิโกธรรมะไม่ประกอบด้วยการเวลานั่นเราอยู่ที่ไหนทำอะไร เราฝึกยังไงเราหัดปฏิบัติยังไงก็คอยทำไปฝึกหัดไปพอได้ผู้สอนผู้แนะนำก็ถือว่าท่านทั้งหลายนี่เป็นลูกศิษย์มาปฏิบัติกับอาตมาก็มีความสุขใจก็ถือว่าดีแล้วยิ่งกว่านั้นไปอีกก็ยังมี สูงขึ้นกว่านั้นก็ยังมีสูงสุดก็ยังมีมรรคผลไม่พ้นสมัยเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกงานทุกเวลาขออย่างเดียวว่าให้เราปฏิบัติให้มันถูกต้องตรงตามที่ครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนไว้เช่นอย่างคำว่าพุทโธนี่อยากให้อาจารย์ ถ้ามาหาภัยบุญเพิ่มเติมหน่อยเธอพึ่งตามระลึกถึงตถาคตะว่าแม้ประเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจ า, ากกิเลสเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะ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 เป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธทมออกสร้างสอนสัตว์สมัยใดที่รียสาวกตามระลึกถึงตถาคตอยู่ด้วยอาการอย่างนี้สมัยนั้นจิตของเธอนั้นก็ไม่มีราคะกลุ่มรุ่มไม่มีโทสะกลุ่มรุ่มไม่มีโมหะกลุ่มรุ่ม สมนั้นจิตของเธอเป็นจิต ท, ที่ดาเนินไปตรงทีเดียวอริยาสาุกผู้มีจิตดำเนินไปตรงเพราะปรารบตาคดย่อมได้ความรู้สึกต่ออธธัตถะย่อมได้ความรู้สึกต่อธรรมะย่อมได้ความปราโมทอันประกอบด้วยธรรม เมื่อปราโมทแล้วปีติย่อมเกิดเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบระงับผู้มีกายระงับย่อมสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมเป็นสมาธิอริยาสาวคุคนี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ถึงความสงบ อยู่ในหมู่สัตว์ผู้ถึงความไม่สงบเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทอยู่ในหมู่สัตว์ผู้มีความพยาบาทเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกระแสแห่งธรรมเจริญพุทธานุสติอยู่แต่พึงเจริญพุทธานุสตินี้แม้เมื่อเดินอยู่พึงเจริญพุทธานุสตินี้ แม้เมื่อยือนอยู่พึงจเจริญพุทธานุสตินี้แม้เมื่อนั่งอยู่พึงจเจริญพุทธานุสตินี้แม้เมื่อนอนอยู่พึงจเจริญพุทธานุสตินี้แม้เมื่อกำลังทำงานอยู่พึงจเจริญ <Robbie. S 2> พุทธานุสตินี้แม้เมื่อนอนเบียดบุตรอยู่บนที่นอน เห็นไหมคุณของพุทธเจ้าเพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติเราพิจารณาลงไปที่พุทโธพุทโธคือพุทธานุสติและลึกถึงคุณของพุทธเจ้าย่อมมีความสุขก่อนตายนึกถึงพุทโธได้ก็ไม่ไปตกต่า ได้ความสุขความเจริญแน่นอนภาวนาทำไปพระพุทธเจ้าว่าดีอยู่ถ้าไม่ดีพระองค์จะสอนไว้ทำไมจะสอนไว้เพื่อประโยชน์อะไรมันมีความดีเล็พระองค์จึงสอนไว้จึงแสดงไว้จึงเทศไว้ทั้งคนมาถาม ทั้งพระภิกษุ ส, สงฆ์ได้รับประโยชน์ทั้งหมดได้ความสุขความเจริญทั้งหมดได้มากขอดีผ่านกันเป็นส่วนมากขอให้ตั้งใจปฏิบัติหนึ่งอย่าละเว้นการให้ทานสองอย่าละเลยในการรักษาศีลสาม อย่าละเลยในการทำสมาธิเราเกิดมาชาตินี้สมหวังแน่นอนไม่ผิดหวังเลยแม้ไม่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าฟังจากสาวกก็เป็นธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นพุโทโธเกิดขึ้นก่อนพระพุทธเจ้าสอนไว้ ละเอียดแล้ว อ, อมากอันให้ฐานรักษาศีลว่าเป็นคุนงามความดีด้วยการเข้าสมาธิฝึกสมาธิถ้าจังใจฝึกไม่นานหรอกก็ต้องได้ได้อะไรได้ความสงบใจอืมขอให้รู้ไว้ ว่าเราเกิดมาโชคดีโชคดีมากมากอ่ะตอนนี้แหละ